พุทธทงธรรมังสังฆงนามิสามิกาบข า, กาักกัดพระอาจารย์วัฒนชัยท่านผู้เป็นประธานสงูงขาอกกาดพระทียานุเทระเพื่อนมัชิมะนวั ก, กะด้วยความเคารพยิ่งขอจเจริญในศีลในธรรมจงมีแก่น้องสมณนเณนรพ่อขาวแม่ขาวแม่ชีทุกท่าน เอามือวางลงเนะาะวางลงครับก็อากาศหนาวเนาะแล้วก็ตกใจด้วยเนาะพอบอกอลุงพีโกนิมนอบอกอแสดงทานิดนึงก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่ามันยังไงไม่รู้นะมันห่างมานานแล้วห่างมานานแล้วก็ อไอเรื่องพูดไทยนี่นก็ไม่ค่อยชัดเหมือนกันอ่าไม่ค่อยชัดเหมือนกันเหมือนกับคนจีนนะอ่ไม่ชัดเหมือนกันเพราะว่าผมเป็นอ่าคนอีสานอ๋อแต่เกินครึ่งนะครับผมมาเกินครึ่งมีชาวจีนนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันผมพูดจีนไม่ได้นะ ร, รู้จะสื่อภาษากันยังไงแต่แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งนะสังเกตนะอ่าสังเกตมีอยู่สิ่งหนึ่งก็คือใจเนาะ ใจของเราที่เหมือนกันนะครับอถึงผมเป็นคนอีสานหรือว่าเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนจีนฝรั่งก็ช่างนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งก็คือใจที่เหมือนกันนะครับอพอลุงบุตเทียนอย่างลุงบูญคาเขียนอย่าง Kevin Kevin, างี้ท่านก็บอกว่าคนไหนก็ปฏิบัติทําได้นะครับคนไหนก็ปฏิบัติทําได้เพราะว่ามันมีใจเหมือนกันนะครับใจใจมีอะไรบ้างครับใจก็มีความโลภนะครับความโลภความโกรธ ค, ความหลง เหมือนกันนะครับทุกคนนอกจากท่านหมดทุกข์แล้วพ้นทุกข์แล้วสิ้นอาสวะกิเดสไปแล้วอย่างนี้นะครับก็คือไม่ไม่มีแล้วแต่วพวกเรามีเหมือนกันนะครับก็เลยจำเป็นต้องมาปฏิบัติธรรมเหมือนกันเนาะที่เหมือนกันยังไงอีกก็คือวันนั้นเนี่ยผมเห็นแม่แม่ชีแม่แม ช, มชีจีนคนหนึ่งท่านบอกอย่างนี้โอ้ผมว่าอย่างนี้เราก็รู้กันเลยใช่ไหมอย่างนี้ แต่พูดให้คนจีนฟังพูดคนจีนไม่ไม่รู้ภาษาผมนะแต่ผมอย่างงี้ย ก, ก็ก็รู้แน่นอนนะครับรู้แน่นอนว่าต้องเงียบใช่ไหมออย่างงี้ยทาอย่างงี้ก็อย่างเงี้ยเงียบเออเหมือนกันนะผมว่ า, วามันไม่ต่างกันเลยนะครับตามไม่ต่างกันเลยความรู้สึกดีๆมีต่อกันนีก่ก็ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันมีการยิ้มกันอะไรเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าคนไทยคนจ <riff S 2> ีนคนอะไรก็ช่างนะครับเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาปฏิบัติธรรมร่วมกันเนาะ ฝึกจิตฝึกใจนะครับไม่ว่าจะเป็นพระหรือว่าเป็นโยมหรือว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ช่างนะครับหลวงพูทเทียนบอกว่าสามารถทําที่สุดแห่งกองทุกข์ให้บรรลุให้ผลนทุกข์ได้เหมือนกันนะครับพผลทุกข์ได้เหมือนกันสมัยก่อนนี่ผมปฏิเสธนะครับปฏิเสธว่าถ้าไม่บวชนี่ก็คงก็คงไม่บรรลุทมนะครับเพราะมันยากมากนะครับ สมัยก่อนศึกษามาแบบโอ้มันผมว่ามันยากมากโซดาบันสกิทาคามีอาาคามีหรือว่าเป็นพระหรหันนี้มันยากมากนะครับอยากมากแต่พอได้เข้ามานะครับได้เข้ามาในสายของลวงปุถียนลุงบัวกำเขียนเนี่ยครับพระอาจารย์ส่งมาเนี่ฟังแล้วปุ๊บนี่พอปฏิบัตินะครับถ้าถ้าปฏิบัติร่วมกันหรือว่าปฏิบัตินแนวเดียวกันนะครับมันจะไปแบบง่ายๆนะครับมันจะไปแบบง่ายๆมันจะไม่ยากนะครับ คือมันมันต้องไปไม่ไม่ต้องไปดูว่ามันไอตัวนั้นขึ้นมาตัวนี้ขึ้นมาความคิดขึ้นมามันซ้อนไอตัวนั้นซ้อนขึ้นมาอย่างนี้นครับมันวุ่นวายนะครับมันวุ่นวายคือมาดูมาดูความคิดเอาเลยอสร้างจังมาไปนี่ท่านเขียนไว้ตรงนั้นนะ <c> ่ะเห็นบอกว่าดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดดูกายเห็นกิต ด, ดูคิดเห็นธรรมนะครับดูกรรมเห็นพันิปัดดูกายเห็นกิต <c> พวกเราดูกายนี่นะครับนี่รู้สึกตัวหลวงพ่อบอกรู้สึกไ้มรู้สึกไหมนะครับนะครับ ที่ยกขึ้นมาจริงๆให้มันรู้จริงๆนะครับไม่ใช่ปอกเป๊กปอกเป๊กทำไปศักดิแต่ว่าทําตามเขานะครับไม่ใช่นะครับให้มันรู้ชัดๆรู้จริงๆนะครับรู้จริงๆค่อยได้ผลจริงนะครับถ้าพวกทําไปแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่นั่นนะกึ่งกลางนี่ทั้งปวดหัวไปทั้งอะไรไปอย่างนี้นะครับคือมันไม่ได้ไม่ได้ผลประโยชน์เลยนะครับอ่าไม่ได้ผลประโยชน์เลยแต่ต้องให้มันได้แบบปอกแป๊กปอกแป๊กยกมือขึ้นจริงๆนะครับให้มันรู้สึกจริงๆจากตัวของตัวเองนะครับ ลงปู่คำเจียนบอกว่าไม่ต้องไปถามใครนะครับไม่ต้องไปถามใครที่ยกมือขึ้นปุ๊บนี่รู้ไหมฉันยกมือหรือยังไม่ต้องไปถามนะครับเรารู้สึกเองนะครับเรารู้สึกเองยกขึ้นมาเองนี่ก็คือได้สติแล้วสติสัมปชัญญะนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับ้วบอกว่ามันไม่ได้ได้อะไรไหมน้อได้ได้อะไรไมน้องมันได้นะครับมันได้แต่ขอให้มันชัดแค่นั้นแหะครับถ้ามันชัดเกณ์จริงๆนี่รู้สึกจริงๆนี่ มันจะเริ่มนับหนึ่งไปครับสติมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อย Kes. ๆนะครับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยหลวงปู่เทียนบอกว่าหรือว่าหลวงปู่คำเขียนนะครับบอกว่าเหมือนกับน้ําที่มันคุณคุนะครับน้ําที่มันคุณคุแล้วก็แล้วก็ปล่อยปล่อยน้ําค่อยๆเทน้ําค่อยๆเทน้ําที่มันใสๆเข้าไปนะครับน้ําขุณมันก็เริ่มจางไปจางไปเรือมันไหลออกไปที่อื่นนะครับมันก็เต็มมันก็ล้นออกไปสุดท้ายมันก็เหลือแค่น้ําใสๆนั่นนะครับ น้ำใสๆน้ำใสๆนั่นคืออะไรคือสตินั่นะครับสติที่มันเด่นนะครับเด่นขึ้นมาชัดเลยครับเพราะว่าตามสายคุบาอาจารย์อื่นๆนะครับอันนี้ไม่ได้ว่านะครับตามสายคุบาอื่นๆนี่ท่านจะพูดแบบอ้อมๆนะครับอ้อมๆอ้อมๆไปนะครับคือถ้าไปอ่านดูจริงหรือศึกษาดูจริงๆนะครับคือสติตัวเดียวนะครับสติตัวเดียวสติตั้งมั่นนะครับอ่าสติตั้งมั่นตัวเดียวเท่านั้นความตั้งมั่นก็คือสมาธินั่นนะครับอ่าสมาธิ คือไปมันเป็นมันเป็นสมาธิซะก่อนนะครับค่อยเป็นค่อยเป็นไปศีลอ่าเป็นสมาธิซะก่อนคือความตั้งมั่นเนี่ยนะครับทำไปทําไปเป็นสติสติคือความตั้งมั่นตั้งมั่นเป็นสติเออเป็นสมาธิไปสมาธิต่อไปมันก็เป็นศีลนะครับตอนนี้มันควบคุมกันเองนะครับมันควบคุมควบคุมกันไปเลยนะครับมันจะเป็นศีลของมันจะสมาทานหรือไม่สมาทานก็ก็ช่างนะครับถ้าทําอยู่อย่างนี้นะครับเรียว่าแต่ศีลอ่าศีลห้าศีลแปดหรือว่าศีลสิบเลยนะครับ หรือว่าสิน227ข้อหรือว่าสิน311ข้อก็ช่างนะครับผมว่าถ้าทําอยู่อย่างนี้น่ะมันเป็นศินหมื่นนะครัมันสินสินหมื่นนะครับคือเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปรักทรัพย์ไม่ได้ไปอะไรทั้งนั้นนะครับเมื่อทำอยู่อย่างนี้ก็มีสตินะถ้ามีสติอยู่ตลอดอย่างนี้นะแง่ว่าแต่สินพวกนี้เลยสินหมื่นก็ยังมีเลครับคือเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเลยนะครับอย่างนี้นะเหมือนอ่าสทิตย์ที่ผ่านมาเนาะอาสัปดาห์นี้นะ คือมันเป็นวันวันสําคัญนะวันสําคัญวันมาฆ่าบูชาวันมาชะวันมาฆ่าบูชานี่มันเป็นวันที่ถือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้านะเจ้าชายสีตถาเนี่ยหรือว่าสมณะโคดมเนี่ยเป็นการประกาศกล้องเลยนะครับเป็นการประกาศกล้องลงไปเลยถือว่าเป็นเป็นการประกาศครั้งแรกโอวาทปาติโมกโอวาทโอวาดนะครับโอวาดของพุทธเจ้า ให้ทํานะครับสัพพะปาปัสสะอาการนังการไม่ทําบาปทั้งปวงท่านบัญญัติไว้เลยนะครับประกาศกล้องเลยนะบอกผ้าบอกสัพพะปาปัสสะอาการนังการไม่ทําบาปทั้งปวงไม่ทําบาปทั้งปวงนี้มันก็ถือว่าสุดยอดเลยครับกุศลสุบัติสัปปปปสมปทาการทํากุศลนี้ถึงพร้อมกุศลนะครับไม่ใช่ว่าบุญนะบุญคือความสุขกุศลที่พวกเรามาทําอยู่อย่างนี้นะครับกุศล คือความฉลาดนะครับฉลาดที่จะเอาฉลาดที่จะทําฉลาดที่จะดูมันนะครับดูไปมันก็จะได้เกิดผลขึ้นมาตรงสุดท้ายนี้ซาจิตตะปริโยทปนังการชํราระชจิตของตนให้ขาวรอบนี่พวกเราเพ่ที่พวกเรามาทํานี่ก็คือทําจิตทําใจของตัวเองให้ขาวรอบเนาะทําให้ขาวให้ข่าวรอบไปแต่สุดท้ายท่านบอกว่าอ่า ที่ที่บอกสําคัญที่สุดก็คือ ang, ang, คนิพพานังปรามังตโปติติขาขันไอ้อ่นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคือทําไปทั้งสามอย่างนะครับทําไปซ้ําทําทําไปทั้งสามอย่างนี่มันจะให้ให้ผลคือนิพพานนะครับบอกฉันไม่อยากฉันไม่อยากไปถึงนิพพานฉันไม่อยากไปถึงนิพพานไม่ต้องนะครับถ้ามันเต็มแล้วจริงๆนะ่ะไม่ต้องบอกเลยครับมันก็ไปถึงเหมือนกันฮะแต่ส่วนมากเนี่ยทํเหยาะเหยาะแยแยไปอย่างงั้นนหะครับ อ่าเหยาะเหยาะใหญ่แย่แยแยอ่าบางทีเอ้ยทำสักหน่อยหรอือวะพอได้ถ่ายรูปลงเฟซลงอะไรอย่างนี้นะมันก็แค่นั้นนะครับทำแค่นั้นก็ได้แค่นั้นนะครับอ่าแต่ถ้าทำจริงๆนะอ่าหลวงกูฏเทียนบอกนี่พระอาจารย์สนใจพูดวันนั้นนะบอกคณจริงคนจริงหรือทำจริงๆเนะี่ยค่อยๆได้จริงๆนะค่อยได้ผลจริงๆไม่ทำไม่ใช่ทำเหยาะเหยะใหญ่แนะครับเหยาะเหยะใก็ได้แค่นั้นนะครับอ่าได้แค่เหยาะเหยะใหญ่แย่สติก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไป แต่ว่าพอหยุดไปกลับบ้านไปเลิกไปก็ไม่ทำนวะไม่ทำต่อเลยอพอกลับมาเข้าข้ออีกค่อยทำมันก็เริ่มน้ำหนึ่งใหม่นะครับมันไม่ต่อไปสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปเรื่อยๆอย่างี้ครับมันจะไม่ต่อแต่ถ้าเราออกไปจากข้างนอกนะออคือออกไปจากวัดเนี่ยมันจะเพลินมากกว่านะครับมันจะไม่ค่อยได้ถ้ายิ่งออกไปไหวนี่ยิง่งยิ่งไม่ค่อยได้เลยมั น, ม, นมันเพลินนะครับมันเพลิน สังเกตดูดีๆครับต้องดูใจตัวเองนะครับอย่าไปดูคนอื่นดูใจตัวเองสังเกตดูว่าถ้าเราอยู่วัดเนี่ยเอมันก็สงบเองนะครับมันก็สงบเองบางทีเรายังไม่ได้ทำอะไรมันก็สงบเองเพราะวัดป่าส่วนตนี่สงบเงียบมากแต่ออกไปแล้วเอาแล้วเริ่มวุ่นวายนะครับอเริ่มวุ่นวายยิ่งออกไปว่ายิ่งวุ่นวายยิ่งเพลินยิ่งหลงไปเรื่อยๆนะมันลงไปอยู่นั่นนะครับลงไปเราก็ไม่รู้นะเพราะเราสติยังอ่อนอตามไม่ทันอตามไม่ทัน มันก็เลยอ่อนอ่อนไปเรื่อยๆนะครับพออ่อนไปเรื่อยๆกลับมาใหม่ก็เหมือนกับน้ำหนึ่งใหม่นะครับอมาใหม่ก็น้ำหนึ่งใหม่แต่ถ้าผู้ทําผู้มีผู้มีสติตั้งมั่นเนี่ยทำให้มากๆนะครับทําให้มากๆจเจริญให้มากๆเพราะไม่ไม่ได้ขออะไรทําให้มากๆแค่นั้นแล้วก็จเจริญให้มากๆแล้วมันก็จะเกิดทุนเองตอนนี้ถ้าถ้าเราทํามากๆอยู่ที่วัดนะครับออกไปข้างนอกเราก็สามารถจะต่อสู้อต่อสู้กับเขาได้คือต่อสู้กับความโรคความกดความหลง ความไม่พอใจความต่างๆนะครับความไม่พอใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจนี่มันจะต่อสู้ได้ถ้าเราทําให้หนักนะตรงนี้แต่เราถ้าแต่เราถ้าแต่ถ้าเราทํายอหยะอแย่ๆนะครับอ่าได้แบบหย่อย่อแยะพอออกไปปุ๊บเหมือนมันไม่ได้อะไรนะครับมันก็ตามพอเขาสกิดนิดนึงก็เอาวขึ้นขึ้นคือความโกรธนะครับขึ้นความโลภความหลงก็ อ, อยากได้อยา่างอยากนั่นอยากได้นั่นอยากได้นี่เอาวขึ้นมาแล้วครับ พอสุดท้ายโอ้เหมือนกับไปไปไปไปห้างไปอะไรอย่างนี้นะครับไปก็เจอตรงนั้นก็สวยก็ซื้อมาตรงนี้ก็สวยก็ซื้อมาตรงนี้ก็สวยก็ซื้อมาลืมดูครับพอซื้อไปซื้อมาครับพอจะขึ้นรถอ้าวของเต็มมือแล้วลืมเลยครับอ่าพอกลับมาที่วัดอ้าวมันเหมือนกับก็ดูดแค่นั้นแหละครับอ่าก็ดูดแค่นั้นก็ผ่านไปผ่านไปเหมือนมันไม่เหมือนมัน ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไระครับที่ซื้อมาบางทีก็เห็นแล้วก็ชอบชอบชอบแล้วก็ซื้อซื้ อ, ซ, อซื้อมาคนระับลืมดูตัวเองครับนะลุงปู่เทียนก็เลยบอกว่ามันหลงมีสองมีสองส่วนเท่านั้นก็นคือมีรู้กับมีหลงแค่นั้นนะครับที่เราทําไม่ไดมม้มันไม่ได้มาบรรยายอะไรมากนะครับลุงปู่าคําเขียนลุงปู่เทียนบอกว่ามีแค่รู้กับหลงแค่นั้นแต่ที่ครูบาอาจารย์มาพูดทุกวันก็คือมาแจแจงนะครับ แจกแจงเพื่อจะให้เข้าใจเพื่อจะให้เข้าใจว่าไปยังไงมายังไงเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเปรียบเปยกันลองดูบางทีมันก็เข้ากับเราบางทีก็ไม่เข้ากับเราอย่างงี้นะครับต้องลองดูตามครูบาอาจารย์ต่างๆสําหรับผมก็ถือว่ายังใหม่นะครับยังใหม่เกี่ยวกับเรื่องอการเจริญสตินี่ก็ยังไม่นั้นเท่าไหร่ยังไม่นั้นเท่าไหร่แต่ก็พอพูดให้ฟังได้นิดๆหน่นนอยๆคร อ่าพอพอเพิ่งมาใหม่แค่อยู่แค่ปีปีเดียวนะครับก็มาฝึกไม่ต่างจากพวกคุณนะครับไม่ต่างไม่ต่างกันเลยอ่าก็ฝึกไปฝึกไปเราก็จะได้เห็นแล้วครับเราก็ได้เห็นนั่นเห็นนี่ไปเรื่อยเหมือนกันไม่ได้เห็นแบบแปลกๆนะครับไม่ได้ไม่เห็นแบบปลกแปลกไม่ได้เห็นเหมือนพญานาคไม่ได้เห็นสายนี้ไม่เห็นแบบนั้นนะครับไม่เห็นแบบแปลกแป่าบางคนก็บอกว่ามีการตกเชียงกันด้วยนะบอกว่า สายนี้ปฏิเสธเรื่องเทวดาสวรรค์นรกอะไรอย่างนี้นะครับปฏิเสธบอกอย่างนี้นุ้งปเถียนก็บอกอย่างนี้นะครับนุ้งปูเถียนบอกว่าอ่าเทวดาอ่าสวรรค์นรกอย่างนี้นะครับแต่ตามพระไตรปิฎกถ้าเราไปศึกษาดีๆนะครับมีนะครับไม่ต้องไปถกเถียงกันนะครับเทวดาสวรรค์นรกมีนะครับมีแต่ว่ามันของนุ้งปูเถียนนี่ ท่านเจีแกงบอกว่าเทวดาก็คือปัจจุบันนี้นครับปัจจุบันท่านเอาปัจจุบันนะครับท่านไม่ได้เอาพบหน้าชาติหน้า น, นะครับถ้าพบหน้าชาติหน้ามีจริงจรงนะครับมีจริงจริงมีจริงจริงเทวดาสวรรค์นรกนี่มีหมดนะครับอ่าถ้าทําไม่ดีก็โยนลงนรกแน่นอนนะครับแน่นอนปฏิเสธไม่ได้ครับไม่แน่มันกันนะครับพระอนี้ก็มันกันอ่าพระอนนี้ก็มันกันพระโมฆะคนหน้านี้ก็เห็นแล้วนะครับเห็นแล้ว บอกว่าผ้าจีวรของพานี่เต็มเม็หมดเลยคนระับกองเท่าภูเขานะครับอ่ากองเท่าภูเขาแล้วก็มาทูลทูลถามวทูลถามพรนะเจ้าว่าทําไมอ่าพกผ้าจีวรของพานี่เยอะจังเลยกองเต็มเป็หมดพระเจ้าก็บอกว่าเออเราเห็นตั้งนานแล้วแต่เรายังไม่มีพยานเออพอดีเธอมาเป็นพยานให้เราเพราะว่าอ่าสําหรับผ้านี่ ทำถ้าทำถ้าทำดีนะครับถ้าทำดีอ่พระเจ้ามัทนชัยท่านพูดไว้ ถ, João, ถ mente, ้าทำดีเท่ากำปั้นเนี่ยเอ่อเท่าเท่าโป้มือนี่ได้เท่ากำปั้นนะครับได้มาได้เยอะอ่าสำหรับทางพระนี่ทำดีนิดๆหน่อยก็ได้เยอะแล้วอ่าแต่ถ้าทำชั่วเท่าโป้มือนี่ก็ได้เท่ากำปั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยอ่าทางพระเราส่วนมากก็นี่ก็มีการออกมาบางทีก็จินเล่าบางอะไรมันเสียกันไม่หมดนะครับ แต่ถ้าพ้าทําดีก็ก็มีเยอะอีกเยอะนะครับอย่าไปเมาลรวมนะครับอย่าไปเมาลรวมตีรวมนะครับท่านปฏิบัติดีปฏิบัติดดชอบปฏิบัติออกจากทุกเนี่ยก็มีเยอะนะครับก็มีเยอะเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะไปเมาลรวมกันหมดอย่างนี้ครับ <c oughs> บอกว่าเนี่ยก็บอกว่าโยนลงนั้นโลกนี่ยเยอะครับไปสวรรค์ น, นี่ก็เยอะเพราะเหมือนอ่าทางพระทางแม่ชีเราแม่ค้าอะไรอย่างนี้ก็มันเหมือนยืนบนเส้นได้นะครับพอกินข้าวของเขา กินข้าวของเขานะครับถ้าไม่ตอบแทนนีถ้าไม่ตอบแทนเขานี้ก็ก็นั่นแหละครับก็เป็นหนี้นะครับเขาบอกว่าข้าวข้าวทุกคําที่จะนําเข้าใส่ปากแสนลําบากเขาทํานาในหน้าฝนทั้งไทยหานปักดําทุกก้อทนเราเป็นคนเขาให้มาว่าเพราะบุญในตัวเรานั้นมีบุญอะไรบ้างที่จะสร้างตอบแทนข้าวน้ําเขาม่ใช่มีแต่ผ้าเหลืองผ้าขาวก็ลงเมาหน้าที่เราปฏิบัติธรรมนําตอบแทนนะครับ เรามาอยู่วัดป่าสุกตโตแล้วเราอย่าไปทําอย่างอื่นเลยนะครับทําอย่างอื่นเลยถ้าช่วยถ้าช่วยงานถ้าช่วยงานช่วยการก็ช่วยไปนะครับช่วยขอให้ช่วยเติมเติมเข้าไปก็คือคือมีสติเข้าไปครับนะถึงช่วยงานก็เติมมีสติเข้าไปแต่ถ้าหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องช่วยโอกาสช่วยโอกาสทํางานของเราทํางานภายในนะครับทํางานให้มันได้มากมากๆขึ้นไปนะครับ คือหลวงพ่อบอกว่าให้ช่วยโอกาสนะครับ่าแค บ, บเดียวก็ดีเหมือนช้างเหมือนช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นอย่างนีน้ก็ได้บุญเยอะเลยครัอย่างนี้นะครับทางผ้าทางแม่ชีเราแต่ต้องต้องซ้ำเนียกว่าเรากินข้าวเขาอย่างนี้นะครับต้องปฏิบัติธรรมอย่างนี้นะครับคืออ่าทางทางญาติโยมเขาก็อยากได้บุญกับเราเขาไม่รู้แล้วครับว่าเราปฏิบัติธรรมยังไงแต่เขาบอกว่าเห็นมาวัดปฏิบัติเนี่ยเขาอยากมามาทําบุญ มาทำบุญด้วยอ่าแล้วเราล่ะต้องมาดูเรานะครับว่าเราทำได้ถึงขนาดไหนนะครับต้องดูจิตดูใจเราไปว่าเราได้ได้สมควรไหมที่เรามาวัดป่าสุกโต น, นะครับอย่าให้เสียโอกาสไปนะครับอ่าเสียโอกาสไปผ้าไหมก็ดีหรือว่าแม่ชีแม่เค้าที่มาบวชไหมก็ดีหรือว่าผู้ที่มาไหมก็ดีนะครับอย่าให้มันต้องอ่าอ่าสว่างมาแล้วมืดไปมืดมาแล้วสว่างไปนะครับ บางคนมาด้วยความตั้งใจนะครับตั้งใจคือสว่างมาแล้วตอนนั้นนะอย่าให้มันต้องมืดไปนะครับมาเห็นแล้วโอ้ยพระก็ทำไม่ดีแม่ชีก็ทำไม่ดีโอ้ยปฏิบัติไม่ได้ยุงก็กัดอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจเต็มที่มาด้วยความศรัทธา น, นะครับแต่กลับไปมืดไปไม่ได้อะไรครับอ่าไม่ได้อะไรอ่าอย่างงี้ก็มีบางคนมาสว่างมาแล้วก็แล้วก็สว่างไปอ่า สว่างมาแล้วก็สว่างไปบางคนมาด้วยความศรัทธานะครับเต็มเปี่ยนว่าเออวัดป่าสุกทโธเป็นวัดป่าปฏิบัติแล้วมาปฏิบัติทำมาเขามาเอาจริงๆนะครับอมาเอาจิงๆเรามาทําแบบน้อยๆแต่ให้มันได้เยอะๆนะครับแต่เขาก็ทําจริงๆทำํำป๊กไ ป, ไปเขาก็ทําตั้งใจทําดีๆอแต่พอกลับไปเขาก็สว่างไปมีสติติดตัวเข้าไปแล้วก็แล้วก็ทําไปเรื่อยๆนี่ก็มีสติไปเรื่อยๆนะบางคนก็มานะ บางคนก็มาแบบอมืนมามื่นไปก็มีมืนมาก็มาแบบอ่ามามาวัดป่าสุโกโตแบบไม่ค่อยเต็มใจมาไม่ค่อยเต็มใจมานะทางบางทีคุณหมอคุณอะไรเขาก็อ่าให้มาอย่างนี้เขาก็มามาตามนั้นแ่ะพอมาแล้วปุ๊บก็ไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยก็มาทําทำพวกเขาอย่างนั้นทำทำศักิแต่ว่าทําก็ไม่ได้อะไรนะพอกลับไปก็ไม่ได้อะไรเหมือนเดิม คือมันไม่มีอะไรสกิดสะใจเอสกิดใจพอที่จะได้ให้เกิดประโยชน์นะครับให้เกิดบุญก็ไม่ได้นะครับแทนที่จะมาแบบให้มันได้นะครับนี่นะครก็คือสว่างมาสว่างไปถ้าถ้าถ้าถ้าพูดอีกถ้าพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือสว่างมาสว่างไปนี่ถ้าพูดเกี่ยวกับบุญก็คือเรามื่ดมาเราเมื่อดมาเมื่อดมาสว่างไปเมื่อดมายังไงเมื่อดมาก็คือ เราเกิดมานะครับเป็นคนยากคนจนอย่างนี้นะ่ะอ่าเป็นคนไม่มีสติปัญญาอย่างนี้นะครับพอมาพอเกิดมาเป็นคนปึ๊บก็ไม่มีอะไรจะกินอะไรอย่างนี้นะครับพอเข้ามาปฏิบัติธรรมเขาสํานึกในใจว่าเอ้ยสงสัยเราไม่เคยปฏิบัติธรรมมาสงสัยเราไม่เคยอ่าทําบุญทําทานมารักษาศีลมาอันนี้เราเริ่มเนาะเริ่มเข้ามาพอพอเขาตายจากลูกนี้ไปเขาก็สว่างไปอย่างนี้นะครับมันแจกแก๊งได้เยอะเหมือนกัน บางคนสว่างมาแล้วมืดไปก็มีนะบางคนเกิดมาล่ำรวยนะครับล่ำรวยเงินทองอย่างนี้นะครับแล้วก็มืดไปล่ารวยเงินทองแล้วเขาไม่ได้เคยสนใจเลยนะครับเขาไม่เคยสนใจว่าจะทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเขาไม่ต้องการนะครับเขาต้องการแค่ว่าไปเที่ยวยังไงให้มีความสุขอะไรยังไงอย่างเงี้ยคือเขาไม่สนใจเลยพอเขาตายจากโลกนี้ไปปึ๊บเขาก็ลงในอภิญญภูมิอย่างนี้แน่นอนนะครับ ถ้าไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้เลยนี่แน่นอนนะครับไม่ต้องพูดถึงเขาส่งมาแล้วเขาเขายังบอกว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่อ่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้นี่มันแสนยากอ่ามันแสนยากยิ่งเกิดมาเป็นมนุษย์ได้แล้วมาพบพระพุทธศาสนานี่พบคําสอนของพุทธศาสนานี่เป็นเรื่องยากเลยนะครับแล้วให้เราได้ตั้งใจเอานะครับตั้งใจเอา ถึงจะมาทําเข้าคอสปฏิบัติธรรมแค่เจ็ดวันสิบห้าวันอย่างนี้นะครับก็ขอให้เราได้ตั้งใจเอาให้เป็นหนอ่อเป็นเชื้อนะครับเป็นเชื้อแห่งจิตไปพกพาไปให้มันจิตไปดวงดีๆไอดวงนี้เนี่ยให้มันให้มันไปดีๆนะครับตอนที่ผมไปอ่ลพ บ, บุรีกับอ่าอาจารย์ออสนะครับอ่าไปแล้วก็มีนักปฏิบัติธรรมอาจารย์ออสก็ไปสอนที่โน่นนะครับลพ บ, บุรีอาจารย์ออสมีนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่งนะมาทำ อยู่ดีๆก็ถามขึ้นมาะบอกจิตกับวิญญาณจิตกับวิญญาณนะครับอันเดียวกันไหมโอ้ถามขั้นสูงหนึ่งนะจิตกับวิญญาณอันเดียวกันไหมบอกเฮ้ยใช่อันเดียวกันจิตกับวิญญาณพอเราตายปุ๊บวิญญาณออกจากหลังจิตก็อันเดียวกันนะครับไปเขาบอกว่าเออใช่ครับอ่าใช่เพราะว่าเพราะว่าจิตนี่มันไปบอกเขาหมดเลยอ่าคนนี้นะเขาพาเขาพาไปเลยนะเขาพาไปบนสวรรค์ เข้าภาพไปแล้วมันก็จิตดวงนี้เนี่ยมันไปตอบเขาเลยนะครับเราจะโกหกอะไรไม่ได้นะครับจิตดวงนี้ถ้าไม่ได้ฝึกนี่โอ้อันตรายเหมือนกันถ้าจิตได้ฝึกมาดีแล้วนี่มันจะไปตอบเขานะครับมันจะไปโน่นมันจะไม่หลอกเขานะครับทาบาปมามันก็ไม่หลอกนะครับหลอกไม่ได้เพราะจิตดวงนี้มันไม่หลอกใครอยู่แล้วถ้าปฏิัปธรรมจริงๆถ้าปฏิบปธรรมดีๆมันจะขึ้นมาให้เราเห็นเลยนะครับเราถ้า เราจะทำชั่วอะไรก็ช่างเราจะทำดีอะไรก็ช่างนะครับมันจะขึ้นมาให้เราเห็นจริงๆตอนนี้นะชาตินี้ปัจจุบันนี้นะครับอเดี๋ยวนี้เลยถ้าทำเพ๊่มันจะขึ้นมาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาให้เราเห็นจริงๆมันจะทอยๆไปเลยนะครับทอยไปจากอายุระสามสิบเลยถอยๆไๆมันจะโชว์ขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับตรงนี้นะครับก็คือตัดกรรมนะครับตัดกรรมตรงนี้ตัดกรรมจริงๆนะครับตัดกรรมปุ๊บๆตัดกรรมให้มันหมดเลยครับเห็นดีก็ไม่เอาเห็นชั่วก็ไม่เอาไม่เอาอะไรสักอย่างคร ดีก็แมอาชั่วก็ไม่เอานะครับเอาแบบสบายๆมีสติกลางๆไปเรื่อยๆเืยๆรื ๆ, ๆมันจะเห็นไปเรื่อยๆครับนี่ก็เหมือนกัน <c oughs> ที่ที่แม่คนนั้นเขาก็พาไปนะครับเขาก็พาไปจิตดวงนี้มันไปต่อบเขาบอกว่าเธอได้ทําบุญอะไรมาถึงได้มาบนสวรรค์เอาบอกอย่างนี้เนี่ยแต่แม่คนนี้ยังไม่ตายนะปุ๊บเขาก็พาไปบอกเธอได้เธอได้ทําบุญอะไรมาถึงได้มาบนสวรรค์ออ่่าาจิต ของแม่คนนั้นเขาเขาก็ตอบไปเลยบอกว่าได้หามน้ําหามน้ําให้พระได้กินได้ฉันได้ดื่มได้อาบสมัยก่อนยังยังมีการหามน้ํานะครับนี่บุญถึงขนาดนี้นะบุญแค่เพียงเล็กน้อยเท่านี้นะมันเนียมันยังมันยังได้ถึงสวรรค์ น, นะครับถ้าเรามาทําถึงขนาดนี้นะมาดูจิตดูใจฝึกจิตฝึกฝึกใจของเราเนี่ยฟอกจิตฟอกใจเรานี่โอ้ไม่ต้องไปปาถนาเลยนะครับพวกสวรรค์ น, นะครับ ถ้าฝึกจิตฝึกใจนี่นิพานแน่นอนคือความพ้นทุกข์แน่นอนนะครับอัก็ขอฝากไว้แค่เท่านี้เนาะอสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญออบุญจงตามรักษาเทวดาจงตามคุ้มครองขอให้ปราศจากพวกใจมารสันดาลยาบขอยกออกจิตตุราิธภณใจทั้งสี่ก็คืออายุวรณนะสุขภร ะ, ระปฏิพานธนสารสมบัติ นิพพานสมบัติสวรรค์สมบัติจงมีแก่ท่านเทิน